พระสุตตันตปิฎกอังกุตรนิกายฉักกะนิบาตขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งปฐมมปันนาฏหนึ่งอหุเนยวักหมวดว่าด้วยพระอาหุเนยบุคคลหนึ่งปฐมมะอหุเนยสูตรว่าด้วยพระอาหุเนยบุคคลสูตรที่หนึ่ง ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้จะหมายหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนนาถบิณกะเศรษฐีเขครุงสาวัตถีณนะที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักสินาควรแก่การทาอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกธรรมหประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เห็นรูปทางตาแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ 2. ฟังเสียงทางหูละถึงสามดมกลิ่นทางจมูกสี่ลิ้มรสทางลิ้นห้าถูกต้องผลธพะทางกายหรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการ น, นี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย ควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทาอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพาสิต ข, ของพระผู้มีพระภาคปฐมมะอาหุในยสูที่หนึ่งจบ 2. ทุติยะอาหุในยสูตรว่าด้วยพระอาหุในยบุคคลสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำหกประการเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทำหกประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง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 ระลึกชาติาาาก่อ น, นได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้างสี่ชาติบ้าง5ชาติบ้าง1 0ชาติบ้าง2 0ชาติบ <000 S 1> <ihrem hn> ้าง30สิบชาติบ้าง4 0ชาติบ้าง5 0ชาติบ้างร้0ยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกรบเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกรับเป็นอันมากบ้าง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 วจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยมีความเห็นผิดชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดผู้เขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกแต่หมูสัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่ว่าร้ายพระอริยมีความเห็นชอบชักชวนผู้อื่นให้ทากรรมตามความเห็นชอบ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 เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการ น, นี้แหลเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทุติยาอาหุในยสูที่สองจบ สอินทริยสูตรว่าด้วยอินรีย์ภิกษุทั้งหลายพิกษุประกอบด้วยทำห6ประการเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานํามาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทำห6ประการอะไรบ้างคือ 1. สัตธินรีอินรีคือศรัทธา 2. วิริอินสีอินรีคือวิริยะ 3. ส, สัตตินรี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 พิษุประกอบด้วยธรรมหประการเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกธรรมหประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาภละกำลังคือศรัทธา 2. วิ ร, ยริยะภละกำลังคือวิริยะสสติภละกำลังคือสติ 4. สมาธิภละกำลังคือสมาธิ 5. ปัญญาภละกำลังเคปัญญา 6. ทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกภะละสูตรที่สี่จบ ปฐมมอาชานียสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของม้าอาชาในาสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในาพันธีของพระราชาประกอบด้วยองค์หประการเป็นม้าควรแก่พระราชาควรเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพานะโดยแท้องค์หประการอะไรบ้างคือม้าอาชาในาพันธีของพระราชาในโลกนี้หนึ่ง เป็นสัตว์อดทนต่อรูปสองเป็นสัตว์อดทนต่อเสียงสามเป็นสัตว์อดทนต่อกลิ่นส่เป็นสัตว์อดทนต่อรสห้าเป็นสัตว์อดทนต่อผลถั่วหกเป็นสัตว์สมบูรณ์ด้วยสีภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันธีของพระราชาประกอบด้วยองค์หประการ น, นี้แหลเป็นม้าควรแก่พระราชาควรเป็นม้าต้น นับว่าเป็นราชพานะโดยแท้ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกธรรมหกประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้อดทนต่อรูปสองเป็นผู้อดทนต่อเสียง 3. เป็นผู้อดทนต่อกลิ่น 4เป็นผู้อดทนต่อรถ 5. เป็นผู้อดทนต่อโผฏฐะหะหเป็นผู้อดทนต่อธรรมารมภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการ น, นี้แลเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกพระธมมอาชานิยสูตรที่หจบ ทุติยอาชานียสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของมาอาชาในาสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายมาอาชาในาพันธีของพระราชาประกอบด้วยองค์หกประการเป็นมาควรแก่พระราชาควรเป็นมาต้นนับว่าเป็นราชพานะโดยแท้องค์หกประการอะไรบ้างคือมาอาชาในาพันธีของพระราชาในาโลกนี้หนึ่ง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 4เป็นผู้อดทนต่อรถ5เป็นผู้อดทนต่อโผฏฐะหะ6เป็นผู้อดทนต่อธรรมารมภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการ น, นี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทุติยอาชานยสูตรที่หกจบ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 นับว่าเป็นราชภานะโดยแท้ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการ น, นี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานํามาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกธรรมหประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้หนึ่งเป็นผู้อดทนต่อรูปละถึง6เป็นผู้อดทนต่อธรรมารมณ์ภิกษุทั้งหลาย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 ริยสูตรว่าด้วยอนุตริยภิกษุทั้งหลายอนุตริยภาวะอันยอดเยี่ยม6ประการนี้อนุตริย6ประการอะไรบ้างคือ 1. ทัศนานุตริยการเห็นอันยอดเยี่ยม 2. สวาานุตริยการฟังอันยอดเยี่ยม 3. ลาภานุตริยการได้อันยอดเยี่ยม 4.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 สศีลานุสติการระลึกถึงศีล 5. จากานุสติการระลึกถึงการบริจาค 6. เทวตานุสติการระลึกถึงเทวดาภิกษุทั้งหลายอนุสติฐาน6ประการ น, นี้แหลอนุสติฐา น, นัสูที่9จบ มหานามสูตรว่าด้วยเจ้าสักยะมหานามะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิคโครธารามเขตกรุงกบิลพั์แคว้นสักกะครั้งนั้นแหละเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอริยสาวกผู้ได้บรรลุผลแล้วรู้ชัดศาสนาแล้วส่วนมากย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมชนิดไหนพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหานามะอริยสาวกผู้ได้บรรลุผลแล้วรู้ชัดศาสนาแล้วส่วนมากย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้คือ 1. อริยสาวกในธรรมวินัยนี้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 สมัยใดอริยสาวกระลึกถึงตถาคตสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคาลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมปรารบตถาคตดาเนินไปตรงทีเดียวมหานามะก็อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้วย่อมได้ความปราบลื้มอิงอัด ย่อมได้ความปราปลื้มอิงธรรมย่อมได้ความปราโมทที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นมหานาม ะ, ะท้าคตกล่าวว่าอริยสาวกนี้เป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีพยาบาท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 สมัยใดอริยสาวกระลึกถึงธรรมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคาลุ่มรุมไม่ถูกโทสะลุ่มรุมไม่ถูกโมหะลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมปรารบธรรมดำเนินไปตรงทีเดียวมหานามะก็อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้วย่อมได้ความปราบลื่มอิงอัด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 จิตของอริยสาวกนั้นย่อมปรารบพระสงค์ดำเนินไปตรงทีเดียวมหานามะก็อาริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้วย่อมได้ความปราปลื้มอิงอัดย่อมได้ความปราปลื้มอิงธรรมย่อมได้ปราโมที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่นมหานามะตถาคตกล่าวว่าอริยสาวกนี้เป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีพยาบาทอยู่ในหมู่สัตผู้มีพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญสังคานุสติอยู่ 4. อริยสาวกระลึกถึงศีลของตนที่ไม่ขาดไม่ทะลุ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 เรามีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินมีจาาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือนมหานามะสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงจา่าคะสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุม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 ย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมปรารบเทวดาทั้งหลายดำเนินไปตรงทีเดียวมหานามะก็อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้วย่อมได้ความปราปลื่มอิงอัดย่อมได้ความปราบลื่มอิงธรรมย่อมได้ปราโมที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปีติ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 อริยสาวกผู้ได้บรรลุผลแล้วรู้ชาศาสนาแล้วส่วนมากย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้มหานามสูตรที่10บจบอาหุเนยวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปฐมอาหุเนยสูตร 2. ทุติยะอาหุเนยสูตร 3. อินทริยสูตรสพละสูตร 5. ปฐมอาชานิยสูตร 6. ทุติยอาชานิยสูตร 7. ตาติยอาชานิยสูตร 8. อนุตริยสูตร 9. อนุสติฐานสูตร 10. มหานามสูตร สารณียวักหมวดว่าด้วยสารณียธรรมหนึ่งปฐมสารณียสูตรว่าด้วยสารณียธรรมสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสารณียธรรมทําเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันหประการนี้สารณียธรรมหกประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้หนึ่ง ตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณิยธรรม 2. อตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณิยธรรม 3. ตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรม สบริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาบทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงบินทบาติบริโภคร่วมกับเพื่อนพรหมจารยทั้งหลายผู้มีศีลแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรม 5. มีศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตันหาและทิฏฐิครอบงำ เป็นไปเพื่อสมาธิเสมอ ก, กันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรม 6. มีอริยทิฏฐิอันเป็นธรรมเครื่องนำออกเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบแก่ผู้ทาตามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อนหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมภิกษุทั้งหลายสารณียธรรมกประการนี้แหล พุมสารณิยสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทุติยสารณิยสูตรว่าด้วยสารณิยธรรมสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายสารณิยธรรมหประการนี้ทำให้เป็นที่รัก ทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาดกันเพื่อความสมัครใกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันสารณิยธรรมหประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ตั้งมั่นเมตตากรยกรรมในเพื่อนพรหมจารยทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณิยธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพ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 นิสารณิยสูตรว่าด้วยท่าที่สลัดภิกษุทั้งหลายท่าที่สลัดหกประการนี้ท่าที่สลัดหกประการอะไรบ้างคือหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญเมตตาเจโตวิมุตต์แล้วทําให้มากแล้วทําให้เป็นดุจยานแล้วทําให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้ว กรารบดีแล้วแต่พยาบาทก็ยังครอบงมืจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึ่งกล่าวตักเตือนถือว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยผู้มีอายุท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้อย่าได้กล่าวตูพระผู้มีประภาคเพราะการกล่าวตูพระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ตรัสอย่างนี้เลยผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุได้เจริญเมตตาเจโตวิมุตต์แล้ว ทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุดยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้วแต่พยาบาทก็ยังครอบงมจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเมตตาเจโตวิมุตตินี้เป็นท่าที่สลัดพยาบาท 2. ภิกษุในธรรมวิัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเขาพระเจ้าได้เจริญกรรณาเจโตวิมุตต์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 พระผู้มีพระภาคไม่ตรัสอย่างนี้เลยผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่พิกษุได้เจริญกรุณาเจโตวิมุตตแล้วทําให้มากแล้วทําให้เป็นดุจยานแล้วทําให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารบดีแล้วแต่วิหิงสาก็ยังครอบงาจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะกรุณาเจโตวิมุตตนี้เป็นท่าที่สลัดวิหิงสา สามภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเข้าพเจ้าได้เจริญมุติตาเจโตวิมุตตแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้วแต่อรติความไม่ยินดีก็ยังครอบงำจิต ข, ของเข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนถือว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยผู้มีอายุ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 ก็ยังครอบเมือมจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมุทิตาเจโตวิมุตตินี้เป็นท่าที่สลัดอารติ 4. ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเขาพเจ้าได้เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตตแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้ว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 เพราะอนิมิตาเจโตวิมุตตินี้เป็นท่าที่สลัดนิมิตทั้งปวง 6. ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเข้าพเจ้าปราศจากอสมิมาณนะและไม่พิจารณาเห็นว่าเราเป็นนี้แต่ลูกสอนคือความเคลือบแคลงสงสัยก็ยังครอบงำจิต ข, ของเข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนถือว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยผู้มีอายุ ท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้อย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ตรัสอย่างนี้เลยผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุปราศจากอัสมิมาณะแล้วและไม่พิจารณาเห็นว่าเราเป็นนี้แต่ลูกศรคือความเครือบแคลงสงสัยกะยังครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลย เพราะสภาวะที่ทอนอสมิมาณ น, นี้เป็นท่าที่สลัดลูกสอนคือความเคลือบแคลงสงสัยภิกษุทั้งหลายท่าที่สลัดหกประการ น, นี้แหลนิสารณียสูตรที่สามจบ